เป็นไงภาวนาเป็นไงแล้วความโลภกับโมหะมันดูยากกว่าโทสะอีกนะ <c oughs> แล้วดีโทสะชวนไปนรกโมหะไปชวนไปเป็นเดรัจฉานโลภะชวนเราไปเป็นเปรตกับอสุรกาย ในทุกครั้งที่เวลากิเลสมันเกิดเนี่ยคนทั่วๆไปพอกิเลสมันเกิดใจคล้อยตามแค่สะสมความเคยชินที่จะไปสู่ภพภูมิ น, นั้นแต่ว่าเวลาของผู้ปฏิบัติเวลากิเลสเกิดแล้วสติเราเกิดเราตามรู้ได้มันเป็นบุญใหญ่กิเลสเล็กให้ผลเล็กน้อยเราได้บุญใหญ่แค่นี้นั้นต้องคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆดีละ ถ้ไม่รู้สึกตัวน่ากลัวนะแต่ถามว่าจะไม่ให้มีกิเลสได้ไหมไม่ได้นะเพราะกิเลสเนี่ยมันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันถ้ามีเหตุมันก็เกิดเหตุของอย่างเหตุของโทสะเรามีอนุสัยที่โมโหมีพื้นฐานเดิมที่โมโหพอเรากระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจอกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีโทสะก็เกิด ถ้ามีพื้นฐานเดิมนะที่โลกจะเจออะไรสวยๆงามๆเข้ามันก็เกิดโลภะเกิดราคะขึ้นมาให้กิเลสเองเราก็บังคับมันไม่ได้ในหน้าที่ของเราไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้กิเลสเกิดเราว่าห้ามไม่ได้ทําทั้งปวงเป็นอนัตตาบังคับเขาไม่ได้นี่พากิเลสเกิดแล้วในหน้าที่ของเราก็คือฝึกฝนตัวเองเรื่อยให้สติเกิดสติ ก็เกิดเองไม่ได้อีกสั่งให้เกิดไม่ได้สติก็มีเหตุให้เกิดเหตุที่จะทำให้สติเกิดก็คือการที่จิตของเราเนี่ยจำสภาวะธรรมได้แม่นเมื่อย่างโทสะเนี่ยอนุสัยเนี่ยเราเคยสะสมนะความชี้โมโหไว้กระทบอะไรก็โมโหกระทบอะไรโมโหก็เคยชินที่จะโมโหแต่ถ้าเราหัดรู้กายหัดรู้ใจบ่อยๆ อะไรแปลกปลอมขึ้นในกายอะไรแปลกปลอมขึ้นทางจิตใจเนีสติมันจะระลึกรู้ขึ้นเองงั้นหน้าที่ของเราคอยรู้บ่อยๆรู้กายบ่อยๆรู้ใจบ่อยๆเจนจิตมันจําสภาวะของกายของใจได้เพอะร่างกายเคลื่อนไหวสติจะเกิดแต่จิตเคลื่อนไหวสติก็จะเกิดเกิดเองนะงั้น อ, นอนุสัยมันสร้างกิเลสขึ้นมาได้มันเคยชินมันกระทบอารมณ์แล้วมันสร้างกิเลสได้ การที่เราเคยหัดเจริญสติปัฏฐานหัดมีสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆมันทำให้สติเกิดเหมือนกันนี่อยู่ที่ว่าความเคยชินเก่าจะมีอํานาจเหนือหรือว่าสติจะมีอานาจเหนือใหม่ๆสติจะน้อยกิเลสอนุสัยมันสะสมมานานมันจะแรงงั้นคล้ายๆกำลังเราเล็กน้อยมากเลยเทียบกับกิเลสจะเห็นได้ตัวเองทุกคนผู้ปฏิบัติ เราเผลอเยอะรู้สึกตัวน้อยเผลอทั้งวันนานๆจะรู้สึกทีหนึ่ง น, นี่เราหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยหัดรู้กายหัดรู้ใจไปเรื่อยสติก็เกิดถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นต่อไปสติมีกําลังมากขึ้นพอยันกันได้สติแก่กล้ามากขึ้นอนุสัยจะค่อยๆฝ่อไปเรื่อยอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงเพราะอะไรเพราะมันคล้ายๆ อนุใสมันเป็นนักลงทุนนะมันลงทุนผลิตกิเลสขึ้นมาจะต้นให้เราเกิดกิเลสแต่สติรู้ทันนะฟันชับลงไปกิเลสขาดหมดมันขาดทุนอนุใสค่อยๆเหี่ยวแห้งฝ่อลงฝ่อลงเพรานั้นในขณะที่เราจเจริญสติเนี่ยมันจะค่อยๆล้างอนุใสไปเรื่อยๆล้างความเคยชินเก่าพูดภาษาคนธรรมดาง่ายๆก็คือเราเคยชินที่จะขี้โมโหเป็นคนขี้โมโห ต่อไปนี้พอเราโมโหปุ๊บสติมันเห็นความโกรธความโกรธครคอบงำจิตใจไม่ได้ความโกรธหมดกําลังไปเรากําลังสะสมความเคยชินชนิดใหม่ความเคยชินที่จะรู้ทันแล้วไม่โกรธต่อไปจะค่อยๆเปลี่ยนนะเปลี่ยนช้าๆไม่เปลี่ยนเร็วนักหรอกค่อยๆเปลี่ยนไปสะสมปริมาณไปจนถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยจะพลิกเปลี่ยนคุณภาพอย่างเราหัดจเจริญสติจเจริญกุศลอะไรก็เล่าไปเรื่อยๆ สะสมไปจเจริญสติสมาธิปัญญาสะสมเรื่อยๆเวลาเล็กเวลาน้อยนะทําไปถึงจุดที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนฉับพลันอย่างทุกวันนี้ยเราจะเห็นร่างกายเนี้คนทั่วๆไปเห็นว่านี่กายนี้เป็นตัวเราแต่คนที่จเจริญสติถ้ารู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บจะเห็นเลยกายไม่ใช่ตัวเราบุญนาทยทิพดูออกยังกายไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองแต่จิตนี้ยังเป็นตัวเรา เข้ารู้เข้าดนะูสะสมความรู้ความเข้าใจไปเห็นได้จิตเกิดดับเกิดดับจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปในความคิดเนี่ยบังคับไม่ได้ไปด้วยสะสมความรู้เชิงปริมาณเนี้ถึงจุดหนึ่งยบพลิกเปลี่ยนคุณภาพฉับพลันจิตจะรวมเข้ามาอัปนาสละทิ้งตัดความเห็นผิดลงไปเลยถัดจากนั้นพอจิตถอยออกมาแล้วเนี่ยจิตจะไม่มีวันเห็นว่าจิตเป็นตัวเราอีกแล้วนะเปลี่ยนคุณภาพ เพราะฉั้นตัวที่จะทำให้เปลี่ยนคุณภาพได้คืออริยมรรคทั้งเกิดขณะเดียวนะแวบเดียวแสดงเลปลี่ยนคุณภาพฉับพลันเนนการมีสติในแต่ละวันแต่ละวันนี้สะสมสะสมเชยงปริมาณสะสมไปจนสติสมาธิปัญญานี่กำลังกล้าประชุมลงรวมลงในสัมมาสมาธิรวมกล้าปัญ า, าสมาธิรตตมันคล้ายๆเราไปล้างความเคยชินเก่าสาเร็จนะ ค่ดูไปนะสู้กันไปถ้าไม่สู้กิเลสละลากแบบไปอะไรนะเหน็นมันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นของที่ถูกรู้รู้สึกไหมเป็นของถูกรู้มันอยู่ห่างๆนะใจเราเป็นคนดูเห็นทันทีกายไม่ใช่เราการเห็นว่ากายไม่ใช่เราเง่าย คนศาสนาอื่นก็เห็นได้พระเจ้าสอนดูก่อนที่ครูทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราเขาเห็นอยู่ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวคนนี้ตายคนนี้ตายอะไรอย่างหน้าตาเราเนี่ยหน้าตาเราวันนี้กับหน้าตาเมื่อปีกลายก็ไม่เหมือนกันหน้าตาเราเดี๋ยวนี้กับตอนเด็กยิ่งไม่เหมือนกันใหญ่มันเห็นในกายไม่ใช่ตัวเรามันไม่คงที่เลยเปลี่ยนตลอด หรืบางคนจ้เห็นเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุบางคนเห็นว่าไม่ใช่เราเป็นของถูกรู้ถูกดูเท่านั้นเห็นได้ง่ายแต่ว่าตราบใดที่ยังเห็นว่าจิตเป็นเราเนี่ยสักกายทิฐิไม่ขาดสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นเราเห็นละกายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราดูออกยังเวทนาก็ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เรานะกิเลสก็ของถูกรู้ถูกดูดูออกแล้วใช่ไหมเป็นทัศนคิดหรือแต่ตัวรู้ตัวดู ตัวจิตนี่แหละฉะนนเราต้องคอยเฝ้ารู้ไปจิตนี่เกิดดับเกิดดับเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปทางใจคุณอะใรที่เห็นอยู่หรือไมไม่เฝ้ารู้อย่างเงี้ยถึงวันหนึ่งมันเห็นแจ้งจิตนี่ไม่ใช่ตัวเราเลยเราบังคับมันไม่ได้อย่างมันจะไปทางตาห้ามมันไม่ได้จะไปทางหูห้ามมันไม่ได้จะไปิดพิษห้ามมันไม่ได้มันทำอะไรห้ามมันไม่ได้ทางนั้นเลยเฝ้ารู้เฝ้ารู้ไปวันหนึ่งจิตรู้แจ้ง จิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เขาทำงานของเขาได้เองไม่ใช่ตัวเราเป็นนามธรรมอันหนึ่งทำงานของมันเองไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างนี้สกายทิิค่ะพระพุทธเจ้าสอนดูก่อนที่สุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยคือคนที่ไม่เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรา เพจิตนี้เกิดดับรวดเร็วนะกลางวันกลางคืนแต่และวันแต่และคืนดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอย่างรวดเร็วจิตเกิดทางตาแล้วดับจิตเกิดทางหูแล้วดับจิตเกิดทางใจแล้วดับปุถุชนไม่เคยเห็นนี่พวกเราเป็นปุถุชนแต่เราได้สดับธรรมของพระอริยะเจ้าฟัางธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเรามาเฝ้ารู้เฝ้าดูของจริงเราเห็นเลยจิตเกิดทางตาแล้วด <Bon. S 2> ับเกิดทางหูแล้วดับเกิดทางใจแล้วดับเป็นจริงๆ เห็นไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งยอมรับความจริงจิตเขายอมเขาเองถึงเวลาที่เขายอมจิตเนี่ยจะดื้อที่สุดเลยไม่มีอะไรที่จิตนิรักและห่วงแผนมากเท่ากับตัวจิตเองเพราะสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราตัวเราน่ะลึกซึ้งถึงที่สุดก็คือจิตนั่นเองเราเห็นว่าจิตคือตัวเราในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งใช่ไหมนี่ร่างกายของเราใช่ไหมแค่ของเราแต่จิตเนี่ยเป็นตัวเราเอีายรู้สึกเลยว่ามีเราอยู่คนหนึ่งในเนี้ย เฝรู้เฝ้าดูวันหนึ่งเห็นความจริงเราไม่มีหรอกมีแต่ธรรมชาติที่ทํางานเกิดดับเกิดดับเกิดนดะับร้อยกันเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยเรื่เห็นจริงอย่างเนี้ยละความเห็นผิดในฉับหลันพอเห็นถูกก็ละความเห็นผิดหลังจากนั้นเราก็เฝ้ารู้จิตใจของเราตอบไปนะไม่มีอะไรที่เราห่วงแหนเท่ากับจิตถึงจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราแล้วนะก็ยังห่วงอีกเนะียเป็นของโลกนะั่นแต่อย่างงกอยู่คล้ายๆไปยืมสมบัติเข้ามาใช้แต่ไม่ยอมคืน นึกว่าของดีเห็นว่าจิตเนี่ยเป็นตัวดีเห็นว่าถ้าจิตเนี่ยไม่มีกิเลสไม่มีความอยากไม่มีความยึดถือจิตที่มีความสุขจิตเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเฝ้ารู้เฝ้าดูต่อไปวันหนึ่งเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่จิตเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างถ้าอย่างเนี้ยถึงจะเกิดการปล่อยวางจิตไป้คยงกอะไรอย่างหนึ่งนะไปหยิบมาแล้วหวงไม่ยอมปล่อยแล้วนะวันหนึ่งเกิดเฉลียวใจแบมือถูเว้ยกลายเป็นขังพกน่าเกลียดเลยจะรีบโยนทิ้งเลย เราจะเห็นจิตเป็นใครรักเมื่อไหร่แล้วก็เราจะโยนทิ้งจะปล่อยวางความยึดถือจิตเนี่เส้นทางเดินตลอดสายอยู่ที่ตรงนี้เป็นเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเฝ้าดูไปไม่มีอะไรมากกว่าการรู้ไงจ์นนอง <c oughs> น้องเก่งกว่าหรื อ, รอเก่งกว่าน้องแนละ้ว <c oughs> แล้วพอๆกันฝึกไปเ้วยนะยังไม่พอต้องฝึกไปอีก <c oughs> นี่ที่หลวงพ่อลา สอนให้น้องนั่งทุบก็อาจจะ น, น้องมงคลเป็นไงมงคลเราไม่ฝึกเอาดีนะล้วสงบแต่ว่าเพื่อให้เรามีเรี่ยวมีแรงคอยรู้คอยดู <c oughs> เห็นความเปลี่ยนแปลงเข้าไปเรื่อยๆเราไม่ได้ฝึกให้เขาดีถาวร น, นะ คือพวกเราชอบวาดภาพมาเมื่อเราฝึกไปแล้วเป็นพระอรหันต์เนี่ยจิตจะมีความสุขถาวรจิตจะดีถาวรหรือดีไม่ดีก็คิดว่าตัวจิตนั่นแหละถาวรไม่ตายเลยตัวจิตเป็นตัวขันนะขันยังไงก็ไม่เพียงขันยังไงก็เป็นทุกข์ขันยังไงก็บังคับไม่ได้รู้ความจริงแล้วปล่อยวางไม่ใช่ไปตัดแปลงจนเข้าดีถาวรได้คนส่วนมาก ฝึกฝนขึ้นมาเนี่ยมุ่งบัครับมุ่งฝึกจิตให้ดีถาวรฝึกไปด้วยเข้าชาญไปด้วยได้เป็นพระพรมมีอายุยาวรู้สึกถาวรวันหนึ่งตายรู้จักใจลอยไหมรู้จักรักหม <c oughs> เออนะรู้จักใจลอยเนี่ยภาวนาเป็นแล้ง่ายแต่คนไหนไม่รู้จักใจลอยไม่รู้จักว่าเหม่อเป็นไงนะก็คือไม่รู้จักคำว่าสตินั่นเอง สติเนี่ยพระาพี่ธรรมสอนไว้สติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะไม่ใจลอยนั่นแหละเมื่อไหรใจลอยก็คือมันนั่นขาดสติขาดส ต, ดสตินะ <c oughs> นะที่เรารู้สึกเรื่อยใจเราชอบลอยไปลอยไปทางไหนลอยไปทางตาลอยไปทางหูจมูกลิ้นกายลอยไปทางใจลอยไปทางตาเนี่ยเช่นเราเห็นคนเดินมาเราไปดูครับ ใจเราวิ่งไปอยู่กับเขาเลยเราลืมตัวเราเองอันนี้เห็นหรือยังใจลอยไปทางตาใจลอยไปทางหูตั้งใจฟังเขาคุยกันขณะที่ตั้งใจฟังเขาคุยใจก็ลืมตัวเองนะใจลอยไปทางหูนั่งคนเดียวก็นั่งคิดไปเรืนะ่อยๆเดี๋ยวฟังหลวงพ่อพูดจงเห็นไหมฟังไปคิดไปนะเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปคิดรู้สึกไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิด หน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่มีอะไรยุ่งยากเลยคิตมัแอบไปไคิดเมื่อไหร่คอยรู้ไว้ก็แล้วกันแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหม <c oughs> ถ้าเรารู้ทันมันนะเราจะตื่นขึ้นมาฉับพลันเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดนึกปรุงแต่งเมื่อไหร่เราหลุดออกจากโลกของความปรุงแต่งเนี่ยถ้าสติรู้กายจะเห็นทันทีกายไม่ใช่เราถ้าสติเกิดไปะระลึกรู้จิตโดยไม่ได้เจตนาจ ะ, ะระลึกนะจะเห็นทันทีว่าจิตไม่ใช่เราง่ายนิดเดียว เพรนผม บ, งบังภูเขานิดเดียวเพรา ะ, ะั้นจุดแรกของผู้ปฏิบัติคือรู้ตัวมาจากโลกของความคิดให้ได้มาอยู่ในโลกของความจริงรู้สึกตัวขึ้นมาหนีวิคิดอีกแล้วรู้สึกไหมคุณเสื่อเหลืองเนะี่ยเวลาที่เราไปคิดคิดคิ ด, คดเรารู้เรื่องที่เราคิดนะเราจะรู้เรื่องที่เราคิดแต่เราลืมกายลืมใจของเราเองหน้าที่เราทำไงจะรู้กายจะรู้ใจได้บ่อยๆของคุณนี้เราทําอะไรอยู่เมื่อกี้เนี่ย ถ้านะไปจ้องกายไม่ใช่รู้กายจงใจไปรู้นึกออกไมจงใจไปรู้เนี่ยก็คือมีโลภเจตนาเป็นโลภเจสนานะเพราะฉะนั้นในขณะนั้นเราเกิดความโลภเราอยากรู้กายเราอยากปฏิบัติเราก็ลงมือปฏิบัติคือลงมือปิดจ้องใส่กายมันคือการเท่งกายมันไม่ใช่การรู้กายถ้าสติตัวจริงเกิดเนี่ยจิตจะไม่มีอกุศล แต่จิตตะกีะก้กเป็นอากูสุลจิตนะเกิดโลภะขึ้นก่อนแล้วก็ไปจ้องเอาไว้อยากรู้ม่กออกไหมมันเป็นอากูสุลจิตต้องระวังนะนะกปฏิบัติ <c oughs> งั้นทําไงจะรู้กายรู้กายรู้เฉ ย, ยๆเลยอยากลงไปจ้องไว้อย่าให้ใจเราไหลเพื่ไปแช่อยู่ในกายให้สักว่ารู้กายต้องสักว่ารู้นะรู้เหมือนคนวงนอกเราจะเห็นเลยกายก็ส่วนหนึ่ง กลายเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูจิตอยู่ส่างหากเป็นคนรู้คนดนูแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจไปเรืยถ้าเราไม่แยกพอเราอยากดูอยากดูก็เป็นโลภะทรงใจเข้าไปดูแต่เป็นการกระทากรรมถ้าเรียนอภิธรรมจะรู้จักว่ากิเลสเนี่ยเป็นสหาชาติปัจจัยเรียกสหาชาติปัจจัยของกรรม ในขณะที่มีกิเลสแล้วก็ลงมือกระทำกรรมตอบสนองกิเลสลงมือทำงานทางใจอยากอยากปฏิบัติส่งใจไปดูกายการส่งใจไปดูกายเรียกว่าการกระทากรรมในระหว่างที่กระทำกรรมด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสตัวนั้นยังอยู่เพราะฉะนั้นในขณะที่เราจงใจไปดูกายโลภะอันนี้ก็ยังอยู่เมื่อมันยังอยู่ในขณะนั้นสติจะเกิดไม่ได้เลยเพราะสติจะเกิดร่วมกับกิเลสไม่ได้ ดังนั้นถึงเราไปนั่งจ้องจ้องจ้องไหนนะจิตเป็นากุศลนะต้องระวังสติตัวจริงไม่เกิดถ้าสติตัวจริงเกิดเนี่จิตจะตื่นขึ้นมาเลยจิจะจิตจะตื่นลักษณะของมหากุศลและจิตจยครบเลยเช่นจิตมีละหุตามีความเบาแต่ถ้าเราไปจ้องมันจะหนักรู้สึกไหมถ้าจ้องเมื่อไหนจะหนักหนักเนี่อกุศลนะลักษณะของอกุศลถ้าเรารียรู้กัสติรู้เองโดยไม่เจตนาจะรู้ใจจะเบามีละหุตา ใจจะอ่อนโยนนุ่มนวลเราจ้องใจจะแข็งแข็งใจของเราจะมีกรรมัญจ า, าควรแก่การงานคือไม่ถูกกิเลสครอบงำจิตที่ลงไปจ้องนั้นนะถูกโลภะครอบงำอยู่อยากดูอยากปฏิบัติไม่งั้นไม่มีความควรแก่การงานจิตที่เป็นกุศลเนี่ยคล่องแคล่วว่องไวจิตของเราจ้องแล้วซึมซึมคล่องแคล่วว่องไวเรียว่าปากุนตาคล่องแคล่วเปรียวไม่ซึม ก็ ซ, มซึมๆนี่อากูสน ล, ลจิตจิที่เป็นกูศนไม่มีอุชุกตาซื่อๆรู้อย่างแล้วก็ทําหน้าที่รู้เท่านั้นเองไม่เข้าไปแทรกแทรกของเรารู้ไปคิดไปรู้ไปหาทางละไปนีน่อากุศน ล, ละิตยียดต้องระว่ังค่อยๆเรียนนะพวกเราอย่าพลาดเราเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ครบะท่านสอนไตรสิกขาบทเรียนสามบทเรียกว่าไตรสิกขา เรียนเรื่องศีลเนียนเรื่องจิตเรียนเรื่องปัญญ า, าศีลศิษยาจิตศิษยาปัญญาศิกขาจิตศิกขาเรียนจะรู้จักว่าจิตยังไงเป็นกุศลยังไงเป็นอกุศลจิตยังไงรู้สึกตัวยังไงไม่รู้สึกตัวจิตยังไง ท, ท, ทําสมถะั้จิตแบบไหนทํำมิปัสฉนาต้องรู้ลักษณะถ้าไม่รู้เราจะทําผิดเราจะเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยมาเจริญสติเอามาไอยรู้กาย กลายเป็นเอาโลภะเอาจิตที่มีโลภะไปรู้กายกุศลไม่มีหรอกเป็นอกุศลอยู่เฉนั้นปัญญาไม่เกิดหรอกพอรู้เรื่องไหมนึกออกไหมว่าเราเอาใจเข้าไปแช่เราอยากปฏิบัติเอาใจเข้าไปแช่ไว้ใจก็ทื่อๆ อ, อยู่ น, นี่ยิ่งแช่นานเป็นแก่นะเราจะได้ความเห็นผิดติดตัวไปเราจะรู้สึกว่าเราบังคับได้นี่จ้องไว้นี่กิเลสไม่เกิดเลยเงียบๆ กีวนันก็เงียบอยู่เนี้ยพอตายไปแล้วก็เอาความเห็นผิดว่าจิตนี้เป็นของบังคับได้เอาความเห็นผิดอันนี้ยติดตัวไปด้วยหนีไปคิดแล้วทราบไหมลืมตัวเองเมื่อกี้นี่หนีไปคิดนะไม่ทันแล้วไม่ต้องลืมไปเลยลืมที่หลวงพ่อพูดไม่ทันสภาวะมันดับไปแไปคิดทวนอียิ่งงงหนักรู้ปัจจุบันแต่ไงรู้เรื่องอยางมาหลายซีแล้ว กิเร็สเกิดบ่อยมั้ยอย่างความอยากพูดหรือออกไหมมันดันขึ้นมาเห็นไหมมันมีแรงดันอพูดได้เอ่อไม่อประมาณว่าประมาณว่าเวลาที่รู้สึกกับคิดเนี่ยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่า ไม่ตางเลยเนอะเดี๋ยว่ก่อนเาอยางามงว่าเอาอันนี้รืู้สึกกหลังเนยกา่เสียที่คอยกะรู้สึกบมันัตคายกันนะคือไม่ไคล้ายนะมันมันจะไม่คล้ายกันเลยแต่ว่าจิตของเราเนี้ยมันไม่ตั้งมั่นพอใจเราคล้ายคมันเคลิ้มเคลิมไปนิดนึงรู้สึกตัวให้ชัดชัดขึ้น พอเรารู้เราดูไปได้คือคนที่ไม่ได้ทําฌานจิตจิตไม่มีกํำลังหรือถ้าพอไปทําก็ไปทํามิจฉาสมาธิก็ไม่มีกํำลังมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่าน ด, ดูดูแลอยู่บ้านเนี่ยท่านสั่งมาบอกว่าให้ทำสมาธาิบ้างอาจารย์ว่าโอเคไนะ้มคะก็โอเคนะแต่ต้องเป็นสัมมาสมาธินะไม่ใช่มิจฉาเกือบทั้งหม ด, นะม ด, มดเนี่ยทำมิจฉามิจฉานี้ทํำด้วยโลภะอยากปฏิบัติก่อน คุณใช้กรรมฐานอะไรสมถะนรัาะอมนะเอาอะไรก็อ่านจะได้นะดูพองยุบไปเห็นท้องพองท้องยุบใจเป็นคนดูจนกระทั่งใจมันตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยพอใจตั้งมั่นแล้วอนนี้มีกําลังมันจะเห็นจิตไหลไปคิดปุ๊บก็เห็นจิตรู้สึกขึ้นมาก็จะเห็นแต่ทํานิดนิดหน่อยหน่อยนะอย่าเยอะนะติดสมถะยุ่งที่สุดเลยแก้ยากเมื่อเมวันที่แล้ว เมืนได้ดึงเทศกาลของตัวเองนะคะมันมีความได้พใจที่ลรกขานะแล้วเราก็ประหลาดใจที่เราเห็นอาการของตัวเองแต่รู้สึกนั่นไม่ใช่เราใช่ในั่นแหละทาเป็นแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ยังเรากําหนดของยุคไปเรืยๆเนจะไม่เห็นอันนี้จะเข้ามาไม่ถึงมันได้แค่สมถะเนี่ยแห้งใจมันมีเรียวมีแรงอย่างนี้นะเมื่อกี้มันซึมจิตใจที่มันจะรู้เนื้อรู้ตัวมันต้องมีแรงง อย่างขนาดนี้มันมีแรงขึ้นมาแนละ้วรู้สึกไหมแรงสึมเตะนะให้มัน alert ขึ้นมานะ่ะอย่าให้ซึมซึมซึมนี้ไม่ดีเลยซึมซึมยิ่งเราชอบฝึกกรรมฐานฝึกให้ซึมแนละ้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่หลายคนเลยแบบค่ำค่ำนะเปิดเทปนะเปิดเทปครูบาอาจารย์หาที่ท่านเสียงนุ่มนุมรอบๆหน่อยนะพูดช้าๆหน่อยเปิดแล้วก็นั่งสมาธิแลนะเคลอ งอปแง้งองอแง้งครบชั่วโมงเทปหมดม้วนวลแล้วอะออกมาสดชื่นยังเลยวันนี้จิตสงบมวยสงบอะไรเป็นนั่งหลับแต่แดีที่คอไม่เกร็งเกิดเราเป็นคนที่แบบว่าเวลาโกรธแล้วเราแบบรุนแรงมากค่ะนี้เราตามดูแต่มีควารู้สึกว่าตรงนี้สี่อย่าไปกดมัน <c oughs> เวลามันโกรธนะัะนึกถึงลองหลับตาแล้วนึกถึงหน้าตาของเราออกไหม ว่าตอนนี้หน้าตาของเราเป็นไงเนี่ยขยับเนี่ยเรานึกออกไหม <ste ff ing> เวลาโกรธนะใคราานึกถึงหน้าเราไหมจะรู้สึกนัเกเลียดนักเกลียดเนี่ยมันเริอกอีก <c oughs> ถ้าถ้าไปดูที่จิตนั่นดีจะไปเพ่งใส่มันนะจะไปกดใส่มันรู้สึกเลยร่างกายเวลามันโกรธนี่นะหน้านิ้วคิ้วขมวดจะรู้สึกหน้านิ้วคิ้วขมวดนะรู้สึกเนี่ยไยักหน้ารู้สึกไหมใครรู้สึกไหม ไม่หายหรอกถ้ามีมเหตุก็เกิด <c oughs> แต่ถ้าสติเร็วมันก็จะเกิดไม่ไม่ทันจะแรงเหมือนคนจะมาวางเปลืองบ้านเราอะแค่มันจุดไม่จีดเราก็เห็นนะโอ้บกทีเดียวถ้าเราสติเราช้ามันมันโกรธแรงและถึงจะเห็น